พระสมณะโคโดมเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเนี่ยนะเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบก็ก ร, รับไปยังไม่ได้ฉันก็ไม่ได้พระสมณะโคโดมเว้นขาดจากการรับสตรีและเด็กหญิงเพราะฉะนั้นจะเอาเด็กไปถวายท่านานะการนี้ท่านก็ไม่รับไม่รับทาสีและทาตอา ท, าทาสีและทาตเนี่หมายความว่ามาเป็นแบบทารับใช้ประจำตัว อันนี้ไม่แต่ถ้าเขาถวายเป็นอารามคนเฝ้าวัดก็เอาก็เป็นคนวัดอ่ะไม่ใช่คนของตัวเนี่ยนะพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการรับแพะและแกะนี่นะอันพระองค์จึงไม่มีฟาร์มแพะฟาร์มแกะเป็นต้นพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้เลี้ยงไก่ไก่แจ้กไก่ชนไก่อะไรพระองค์ไม่มีทั้งนั้นอนะ่ะเนี่ยนะไม่มีหมูด้วยเนี่ยนะไม่เลี้ยงหมูบางแห่งเนี่ยโอ้ยไต่ถุนวดัดเนี่ยหมูทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ พระสมณโคโดมเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาะไม่มีสัตว์ของเลี้ยงเหล่านี้เลยพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการรับนาและไร่นะเว้นไว้แต่เขาถวายเป็นอารามถวายเป็นเช่นอนาเชตวนารามเป็นต้นแต่มาถวายเออเนี่ยถวายนาให้ท่านถวายไร่ให้ท่านเนี่ยท่านรับไม่ได้พระองค์ไม่รับพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการเป็นทูต เป็นทูตเนี่ยนะเป็นเจ้าหน้าที่ทูตเมืองนี้ส่งไปเมืองนูน้นเมืองนูน้นส่งมาเมืองนี้ไม่เป็นเพราะองค์ไม่เป็นทาสรับใช้กษัตรธธิย์พระมเหสุทธิ์วณะเหล่าใดไม่เนี่ยนะพระองค์ไม่ได้เป็นคนรับใช้ของผู้ใดพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการซื้อการขายการเล่กการเปลี่ยนเนี่ยนะท่านพระองค์จึงไม่มีการซื้อขาย พระสมณโคดมเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยโลหะการโกงด้วยเครื่องวัดเครื่องตวงเนี่ยนะเร่งเหล่านี้ไม่มีสําหรับพระองค์พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับสินบนนะรับส่วยเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีแบบเทียประเภททุจริตคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีการล่อลวงไม่มีการตลบตะแลงนะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ซื่อด้วยกายซื่อตรงด้วยกายด้วย ว่าจา่าแต่แต่เขาก็ซื้ออย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเที่ยวชนคนอื่นไปหมดแล้วก็ไปหาเรื่องกับคนทั่วไปหมดไม่ใช่พระองค์เนี่ยไม่ตลบตะแลงแต่พระองค์ก็รักษาตนโดยไม่เดือดร้อนไม่ลำบากพระองค์จึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นพระสมณโคดมเว้นขาดจากการฟัน อนนะพระองค์ไม่เคยบอกว่าไปทำให้คนนั้นเป็นแผลตั้งห้านิ้วอนนะเป็นแผลเย็บตั้งสิบเข็มเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่ไปฟันไปฆ่าไปจองจำการตีชิงการปล้นการจี้เป็นต้นอะไรไม่มีเนี่ยนะ ตีชิงวิ่งราวเป็นต้นไม่มีคือหมายคำว่าเราได้ยินได้ฟังความชั่วของคนชั่วทั้งหลายในโลกนี้ความชั่วเราใดก็ตามความชั่วด้วยกายด้วยวาจาในด้วยใจความชั่วในบ้านในนิคมชนบท ร, ราชธานีความชั่วในที่แจ้งหรือที่ลับก็ตามความชั่วเหล่านั้นไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าคืออยากจะบอกอย่างนั้นนะการที่จะพูดถึงคนดีเนี่ยบางทีต้องยกเอาคนคนที่เขาทำความชั่วมาเป็นเครื่องเปรียบ เห็นคนนี้เขเช่นเห็นคนขขคนี้เขาฆ่าสัตว์พระองค์ไม่ฆ่าคนนี้เขารักสัพย์พระองค์ไม่รักคนทั่วไปเขาทําผิดกามเมพระองค์พระพุทธพรมอาจารย์นคนทั่วไปพูดเท็จพระองค์พูดคําสัตว์เป็นต้นซึ่งมันต่างจากปุถุชนต่างจากบุคคลทั่วทั่วไปท่ะนพระองค์จึงดํารงอยู่ในภาวะของพระพุทธเจ้าผู้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยนะ ศีลอย่างอื่นของพระองคนะ์ถ้าหากว่าเรามาเปรียบเทียบกับในบรรดาจํานวนนักบวชที่มีอยู่ในโลกอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะนักบวชมีหลายเผ่าพันธุ์ด้วยกันหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดำรงอยู่ในภาวะการเลี้ยงอาชีพที่บริสุทธิ์และมีปกติใช้ชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ ไม่ทําตัวแบบนักบวชภายนอกศาสนายกตัวอย่างเช่นพระสมณะโคโดมเว้นขาดจากการพราดพีชคามและภู้ตะคำเหมือนพวกสมณะพรามณ์ผู้เจริญบางพวก น, นะสมณะพราหมณ์ผู้เจริญหมายคำว่านักบวชลับที่อื่นที่ไม่ใช่ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ฉันโภชนะหรือบริโภคปัจจัยสี่ใช้เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยอยู่ยา ที่เขามาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็ยังประกอบการพรากพีชคามและภูตคามอยู่หนึ่งๆ น, น, นะแปลว่ามีปกติพาอปลูกเนี่ยนะตัดมเมล็ดพันธุ์อยู่นั่นแหละเนี่ยนะกคาว่ากลายเป็นเจ้าหนะ้าที่ดูแลศูนย์วิจัยพืชพันธุ์ทั้งตัดทั้งต่อทั้งตอนทั้งอะไรสารพัดกลายเป็นว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของต้นไม้ใบหญา้าเช่นพืชที่เกิดจากรากเงาเนี่ยนะ พืชที่เกิดจากลำต้นเกิดแต่ผลเกิดจากยอ่อหรือเพาะเมล็ดขึ้นเป็นที่ห้าคือสิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์ไม่ใช่นักพืชวิทยา คือไม่ทาตัวตัด ก, กิ่งไม้ตอนกิ่งไม้ช้ากิ่งไม้รดน้ำต้นไม้ดูแลรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ดูแลแต่เรื่องต้นไม้ใบหญ้าจนไม่ต้องเป็นอันธำมาหาอะไรแล้วเนี่ยนะทีก็นั่งเพาะกล้วยไม้อยู่นั่นแหละหมดวันไปวันหนึ่งปลูกวานบ้างปลูกกล้วยไม้บ้างก็หมดไปวันวันหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ได้มีพฤติกรรมเหล่านั้นเลยเนี่ยนะหรือ อ, อย่างเช่น อย่างอื่นอีกบอกพระสมณะโคโดมเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมเอาไว้หมายความว่าพระองค์ที่ขอเข้าของที่พระองค์ใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สะสมเอาไว้อย่างสมณะพรามผู้เจริญบางพวกเนี่ยนะพวกนี้บริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็ยังประกอบการบริโภคของที่สะสมเอาไว้อยู่อย่างนี้เนืองๆเช่นสะสมข้าว ข้าวเก็บไว้ตั้งงั้นเมื่อวานเนี่ยนะสะสมข้าวสะสมน้ําสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมและก็สะสมอามิตรคือเยื่ออย่างอื่นเช่นรูปสวยๆเสียงเพาะๆเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ไม่มีการสะสมมันสะสมเขาควายสะสมรถสะสมอะไรเนี่ยไม่มีสะสมนาฬิกาเนี่ยนะพวกแบบประเภทแบบไหนสะสมนาฬิกาสะสมของเก่าสะสม จะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เขาควายเป็นต้นอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนอันพระองค์เนี่ยไม่ใช่ลักษณะพวกสะสมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ พระสมณโคดมเว้นขาดจากการเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุศลอย่างนักบวชละที่ภายนอกเนี่ยนะพวกนี้บริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็ยังขวนขวายดูการเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุศลเห็นป่านี้เช่นการฟ้อนรำขับร้องประโคมเนี่ยนะจัดมหรสพเองเลยเนี่ยนะจัดมหรสพเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในการจัดมหรสพการไร้การรำการเล่านิยายปรบมือการเล่นปลุกผีตีกลอง จัดฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนแพะชนแกะชนไก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่วัดของพระพุทธเจ้าไม่มีบ่อนไก่เป็นต้นนี่ไม่มีไม่มีแบบซุ้มไก่ชนอะไรก็ไม่มีซุ้มไก่แจ้ซุ้มไก่ชนเนี่ยไม่มีนั่นจึงไม่มีการรํากระบีรํากระบองแบบเสียวริมยี่อะไรเนี่ยไม่มีเนี่ยนะ ไม่มีการฝึกพวกชกมวยมวยปล้ำสนามรบตรวจพลจัดกองทัพเนี่ยนะดูแลกองทัพอะไรเป็นต้นนี้ไม่มีพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการขวนขวายการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างที่สมณพราหมู้เจริญบางพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นตา น, นี้อยู่เนืองเนืองเนี่ยนะ ทำอะไรบ้างเล่นมากรุกแถวละแปตา10ตามากเก็บเล่นสะดวกเล่นมากว้เล่นโยนบวงไม้หึงเล่นทํากายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไทยนาเนน้อยหกเขมรกังหันตวงทรายเล่นรถน้อยธนูน้อยทายอักษรทายใจเล่นเหรียญแบบคนพิการหรือว่าเล่นเตาะเล่นหวยลอตเตอรี่บนดินใต้ดินเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่มีไม่เป็นเจ้าเจ้ามือเป็นโพยหวยรับหวยซะเองอะไรเนี่ยไม่มีนะฮะแต่ปัจจุบันนะก็ยังว่าทั่วกรงวัตตะ พระสมณโคโดมเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อย่างเช่นนักบวชเหล่าอื่นเนี่ยนะที่บริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เห็นปา น, นี้เช่นเท้าที่เตียงเนี่ยที่มีเท้ายาวหรือสูงเกินประมาณเตียงที่เท้าเนี่ยทำด้วยรูปสัตว์ร้ายหรือว่าพรมขนสัตว์ เครื่องลาดทำด้วยขนแกะอันสวยงามเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์เนี่ยไม่ได้บริโภคเครื่องเข้าของเครื่องใช้เหล่านั้นที่ผิดศีลพระสมณะโคโดมเว้นขาดจากการประดับตกแต่งร่างกายไม่เหมือนกับนักบวชบางพวกที่บริโภคปัจจัยสี่แล้วก็ยังวขวนขวายประดับตกแต่งร่างกาย mm. เช่นอบตัวเนี่ยนะอบตัวเพื่ออะไรเพื่อความงามนยขัดผิขัดเรียกว่าขัดผิวเนี่ยนะ อบตัวอบไอน้ําเพื่อผิวจะได้งามเนี่ยนะจะได้เปล่งปลั่งโอ้ยองค์นี้มีรัศมีออกจากตัวอะไรเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าอบตัวเพื่อให้ดูงดงามเนี่ยนะทั้งๆที่ว่าใจเนี่ยหืมใจไม่ใช่เลยเนี่ยนะแต่ว่าพยายามที่จะแต่งกายเนี่ยนะบางทีก็อบอวัยวะอบเรียกว่าคลายอวัยวะอาบน้ําหอมนวดคําว่านวดนี่แปลว่านวดเพื่อให้ผิวพันตรงไหนที่มันหย่อนยานก็ทําให้มันเต่งตึงอะไรลักษณะนั้นอันเนี ไม่ไม่ใช่แบบลักษณะจับเส้นนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่ว่าประการนวดแบบประเภทนวดเพื่อความงามเนี่ยนะหรือว่าส่องกระจกเต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวสวมกระว่าใช้ไม่เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้มีดสองคมร่มแล้วก็ใช้รองเท้าที่ผิดวินัยหรือว่ากรอบหน้าปักปิ่นใช้พัดวาลวีชนีนุ่งห่มผ้าขาวหรือว่าผ้าที่มีชายยาวอันนี้พระองค์ไม่ทําแบบนั้น ขณะเดียวกันพระองค์เว้นขาดจากการกล่าวเดรัจฉานคาถาคำผู้ที่สวะขวางสวรรค์ขวางนิพพานไม่เหมือนกับนักบวชบางจำพวกที่บริโภคปัจจัยสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาทำตัวเป็นนาบุญของเขาแต่มาปฏิบัติตัวอยู่ในติรัจฉานคาถาผู้แต่คำที่เป็นเดรัจฉานคาถาเช่น อันน่ะพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรมหาหมัรกองทัพไทยสงครามข้าวน้ำผ้าที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องหยาเรื่องยานบ้านนิคมนครชนบทราชธานีสตรีบุรุษคนกล้าตรอกท่าน้ำคนเป็นคนตายเรื่องโลกเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องอู้คุยไปเรื่อยเนี่ยนะรู้พูดให้เป็นอะไรก็ไม่รู้จากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งเรื่องแล้วเรื่องเล่าหมดไปวันวันหนึ่งบางที นั่งคุยบางทีนะนั่งคุยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทีเที่ยงคืนก็มียังไงบางไม่รู้คุยเรื่องอะไรไม่มีสาระอยู่ในนั้นเลยก็มีเนี่ยนะบางทีก็นั่งคุยตั้งแต่เช้ารับแขกตั้งแต่เช้าจดค่าดึกดื่นเนี่ยนะไม่มีดารยศัสตร์อยู่ในนั้นเลยไม่มีคําสอนอยู่ในนั้นเลยทั้งๆที่กุฏิก็กุฏิที่เขาถวายด้วยปัดด้วยศรัทธาอาหารเขาก็เอามาถวายด้วยศรัทธาเจ็บป่วยไม่สบายเขาก็เอายาเป็นต้นมาถวายด้วย สัทธาปัจัจสี่ที่เขาถวายด้วยศรัทธาแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยติระฉานกถากลับไม่ใช่พุทธกถาใช่ไหมไม่ใช่พุทธพจน์น่ะนะกลับไปเอาคำพูดของกลุ่มพวกแหมขวางน่ะนะติระฉานแปล ว, ว่าขวางพูดแต่คำพูดที่ขวางสวรรค์แล้วก็ขวางนิพพานน่ะนะก็นั่งโอ้ยปรึกษาเรื่องการบ้านการเมืองนั่นแหละพระสมณะโคโดมเวนขาดจากการพูดแก่งแย่งนะนะ ไม่เหมือนกับนักบวชบางพวกที่บริโภคจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่ยอมข้างหลายเป็นต้นเขาเอามาถวายด้วยศรัท ธ, ธาก็ยังมาพูดแก่งแย่งทะเลาะ ก, กันอยู่เนืองๆว่าท่านเนี่ยไม่รู้ทั่วถึงทำนีในัย น, นี้ข้าพเจ้ารู้พวกนี้โง่ทั้งนั้นรู้เราคนเดียวเนี่ยนะเราเนี่ยรู้ทั่วอ่เขาบอกว่าท่า น, นจะรู้ได้ยังไงเนี่ยนะท่านปฏิบัติผิดผมปฏิบัติบูก คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ขปเจ้าพูดนี่สิมีประโยชน์ไอ้คำควรพูดก่อนด้านก็นมาพูดทีหลังสรุปว่าพูดหาเรื่องเนี่ยนะทะเลาะกันอย่างเดียวเนี่ยนะมันนั่งทะเลาะกันเนี่ยนะนั่งทะเลาะกันหน้าดำคร่ำเครียดเป็นต้นเนี่ยนะเคยบางทีก็สมัยใหม่ก็มีจัดเทศแล้วพระนั่งทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดงมันทำม่านเนี่ะอันนี้ไม่ใช่ทําตัวลักษณะนั้นเนี่ยนะพระสมณโคโดมเว้นขาดจากการเป็นทูตและรับใช้ ไม่เหมือนกับนักบวชบางจําพวกนักบวชบางจําพวกที่บริโภคปัจจัยสีด้วยที่เขาถวายด้วยศรัทธาก็ทำทำอะไรเป็นอาชีพทูตบ้างรับใช้อยู่เนืองๆทากิจรับใช้คารวะหรือบางทีก็มาทํากิตรับใช้บุคคลต่างๆเช่นเป็นทูตของพระราชามาหาอามาตย์กษัตริย์พราหมขึ้นหาบดีบางทีก็เป็นทูตของกุมาร บอกว่าเป็นทูตของเด็กๆได้ไหมบอกได้เป็นทูตชายหนุ่มหญิงสาวสิชายหนุ่มบ้านนี้ให้ไปเป็นพ่อสื่อให้บ้านโน้นบ้านโน้นใช้ให้เป็นพ่อสื่อบ้านนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยอาชีพของพระอาชีพบางอย่างก็เนี่ยเราก็ทําตัวเป็นสะพานเชื่อมให้จับลูกบ้านนี้ไปแต่งบ้านโน้นจับบ้านโน้นมาแต่งบ้านนี้เนี่ยนะก็โอ้ยทำไปเรื่อยตัวบางทีหนักๆเข้าก็รับใช้เด็กน้อยเนี่ยนะนั่นก็พระองค์ไม่เป็นแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีอยู่ใน พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและพูดเรียบเคียงนะคำพูดหลอกลวงเรียบเคียงเนี่ยไม่มีจะทำตัวแบบเรียกว่ามีมายาปกปิดซ่อนเร้นเนี่ยไม่มีในพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดเรียบเคียงเช่นนักบวชบางจําพวกที่บริโภคปัจใจสีที่เขาตวายด้วยสตาก็พูดเรียบเคียงอยู่นั่นแหละพูดเรียบเคียงพูดหวานพูดล้อมพูดและพูดเล็มอยู่นั่นแหละ แล้วก็สแสวงหาลาบต่อลาบด้วยลาบเนี่ยนะเขาเรียกว่าวางเหยื่อต่อเหยื่อเป็นต้นเขาเรียกว่าประกอบสแสวงก็คือสแสวงหา ปัจจสี่นั่นแหละเนี่ยนะหมกมุ่นอยู่กับปัจจัย4แสวงหาปัจจัย4หนักหนาเข้าก็เลยสมณกิจสมณธรรมคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะจิตใจก็คิดถึงรูปจากรูปมาเสียงจากเสียงมาเปลี่นจากเปลี่นไปรถจากรถไปโพธาพะไม่ได้สนใจศีลเลยเนี่ยนะซึ่งนักบวชทั้งหลายภายนอกเป็นเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นสาวกของพระองค์ก็ไม่เป็นเช่นนั้นส่วนบุคคลอื่นก็เทียมสาวกเท่านั้นเองเนะี่ยคว่าเทียมก็แปลว่าไม่ใช่เนี่ยนะ อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยนะซึ่งพระองค์ไม่ไม่ประกอบอาชีพ น, น ะ, ะครับเกี่ยวกัไอสิ่งเหล่านั้นที่ทําแบบปกินกะเบ็ดเล็ดทั่วไปเนี่ยอันหนึ่งและอันหนึ่งคือคือพระองค์ไม่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพอะไรอาชีพที่ขวางสวรรค์ขวางนิพพานที่เรียกว่าผิดด้วยตีระฉานวิชา